พัททูและโซนในอุปมาเหมือนอะไรนะี<ป>่ <c oughs> สิ่งหนึ่งที่ถูกล่ามโซ่อะเอาไว้ที่หลักอา <c oughs> จารย์เคยสอนว่ า, <c oughs> าย้อนอีกครั้งหนึ่งว่าที่ตอนตั้งไว้ว่าคติจะไปดีหรือไม่ดีนี่อะไรเป็นเครื่องวัด <c oughs> เมื่อเราท่านทั้งหลายทําทั้งกรรมดีและกรรมไม่ดีทําไว้ทั้งขาวทั้งดำ คือคือปกติเนี่ยถ้ากรรมขาวผู้ที่ทําขาวลุวนล้วนเนี่ยควรจะไปดีใช่ไหมผู้ที่ทําบาปลุนล้วนเนี่ยก็ไปไม่ดีที่นี่มันทําทั้งดีทั้งชั่ววันธรรมดาก็สํานวนว่ากลางวันผิดศีลกลางคืนรักษาศีลอย่างนี้นะกลายบางบางคนเนี่ยเป็นลักษณะนั้นหรือว่ากรรมมันจะให้ผลลักษณะไหนคือคติมันควรจะไปไหนเพราะว่าไม่มีใครสุขคติทุคติสุขคติทุค ต, ติแบบกลางวันเป็นสุขคติกลางคืนเป็นทุคตินี่ไม่ได้ บอกว่าจะไปดีหรือไม่ดีโดยมากก็วัดที่ไหนสูตรก็คือชาวนะก่อนตายเนี่ยนะชาวนะก่อนตายเนี่ยสำคัญมาก คือการที่จะเกิดในสุขติอย่างี้นะผู้ที่ปฏิสนธิในสุขตินี่ยังแบ่งออกเป็นติเหตุกับทวิเหตุแต่ในที่นี้ประสงค์จะพูดติเหตุอย่างเดียวเพราะว่าทวิเหตุอาเหตไม่อยากไม่อยากพูดตรงนี้เพราะอะไร ไม่เกื้อกูลต่อการบรรลุมรรคผลเลยเนี่ยนะสองสองเหตุเนี่ยนะทวีเหตุถึงจะเป็นผลของกุศลนําเกิดก็ไม่บรรลุมรรคผลอาเหตุปัญญาอ่อนไม่ต้องพูดถึงอยี่ยนะเพราะฉะนั้นจะพูดถึงติเหตุติเหตตุกะปฏิสนธิ <c oughs> ทีนี้กรรมที่ที่เป็นติเหตตุกะปฏิสนธิคือคนที่ทําบุญแล้วปรารบปัญญาเป็น เบื้องหน้าเช่นอย่างน้อยที่สุดก็กรร ม, มสกตาสัมมาทิฏฐิเป็นเบื้องหน้าเนี่ยนะคือการทํากรรมแล้วรู้ผลกรรมกับทำแล้วปรารถนาผลกรรมนี่เหมือนกันไห ม, มกันทำ น, นะรู้รู้ผลกับปรารถนาผลไม่เหมือนกัน มันมีคนบางคน ท, ที่เรียกว่าปราถนาผลโดยปกติคือปราถนาขันห้าใช่ไหมเนี่ยนะปราถนาไว้แล้วไอการปราถนาเนี่ยปกติแล้วผลบางอย่างเนี่ยปราถนาและปราถนาด้วยอากูสนเนี่ยนะการพูดถึงว่าการตั้งความปราถนาเนี่ยควรหรือไม่ควรถ้าตั้งคำถามแบบนี้นะสมมติว่าเราจะทำบุญเนี่ยควรตั้งความปราถนาหรือไม่ควรตั้ง คำถามอบบนี้เป็นคําถามที่ต้องต้องดูว่าใครเป็นคนถามเนี่ยนะแต่ถ้าเป็นพระพิสูจน์เนี่ยเจริญวิปัสสนามากๆและตั้งความปรารถนาสาธุชาติหนา้าขอให้ร่ำให้มีให้ร่ําให้รวยมีบ้านสวยๆรถ ง, งามๆอะไรก็เรื่อยเนี่ยนะแล้วเจริญไม่เที่ยงเป็นทุแปรหน้าตาเนี่ยควรไหมไม่ควรอ้าวก็ทําบอกว่าควรไงเมื่อกี้นะเราก็บอกว่าดูที่คนถามเป็นหลักว่าแต่ถ้าปกตินะว่า ถ้าเป็นพวกปกตินะเป็นอะเหตุกะปฏิสนคือคือชาติเนี้่ปกติไม่ฉลาดอยู่แล้วทวีเหตุเนี่ยนะพวกนี้ยเป็นประเภทที่ปกติยังไงชาตินี้ก็ไม่ไดบรรลุธรรมะก็จำหัวลืมท้ายจำท้ายลืมกลางจำกลางลืมหน้าจำหน้าลืมหลังเนี่ยถ้าเป็นลักษณะนี้นะแล้วบอกไม่ต้องการอะไรเลยสักอย่างเนี่ยนะไปให้มันหมดหมดไปเนี่ยนะอะไรมันจะหมด ปัญญาเนี่ยหมดแน่แต่ว่าอาวิชชาเนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอยู่ทุกวัน <c oughs> เพราะว่าผู้ที่ไม่ค่อยมีปัญญานะปรารถนานิพานสมมตินะก็ถามใหม่ว่า น, นิพานของคุณมันคืออะไรเนีน่ก็ก็จะบอกว่าโอ้โหปราดไม่ต้องการขันท่าเลยนะแล้วอันอนี้ผานมันเป็นยังไงถ้าก็ยังไม่รู้อีกนั่นแหละถ้าอย่างนั้นก็บอกว่าปรารถนาให้มันเข้าท่าเข้าทางก่อนในชั้นแรกเหมือนกัน เพราะฉะนั้นถ้าว่าโดยรวมๆก่อนนะปรารถนาให้ได้ติเหตุกะปฏิสนธิก่อนอันนี้สําคัญมากเห็นไหมถึงชาตินี้ถ้าไม่ได้ติเหตุกะปฏิสนธินะัยังไงภาคเพียรก็ไม่ได้บรรลุมรรคผลแต่ไม่ควรดูถูกตัวเองว่าทวิเหตุหรือติเหตุเนี่ยนะก็การวินิจฉัยผิดเนี่ยนะแม้กระทั่งพระมหาปันทกเนี่ยวินิจฉัยน้องทายท่านนะ พระจุลบันโถกเนี่ยให้ท่องค า, าถาสองบรรทัดเนี่ยท่องอยู่สเดือนเนี่ยจาไม่ได้พี่ชายเนี่ยถึงเป็นพระรหารก็ตัดสินใจไปเลยว่าแกไม่มีวาสนาไม่มีอุปนิสัยเพราะฉะนั้นศึกไปเถอะไล่ศึกเลยเยมีอยู่วันหนึ่งเขาหนีมนตพระไปฉันที่บ้านหมอชีวกมนนีมนพระไปฉันที่บ้านมนน่มนตทุกรูปพี่ชายเนี่ยรับให้หมดไม่รับให้น้องชายอยู่คนเดียวบอกแกไม่ต้องไปหรอกไปศึกไปนีป่เลยไล่ศึกเลย พระรหันไล่ศึกกันนะคิดดูว่า <c oughs> มันสี่เดือนแล้วจําสักสองบรรทัดจําไม่ได้เลยมมนรู้จะอยู่ไปทําไมเหงนกันทีนี้ข่าก็เสียใจร้องให้อนะไรก็บอกว่าไอตอนแรกไล่ให้ศึกก็ยังไม่ทันเสียใจเท่าไหร่เนี่ยแต่ว่าพอเขารับท่านเป็นเจ้าหนะ้าที่รับรับกิจนิมนต์จัดพระพิสูจนไปฉันหน้าที่ต่างๆเนี่ยท่านเป็นเลิศในทางนี้ใช่ม นี่ไม่รับให้น้องชา ย, ยตรงนี้รู้ว่าพี่ชายไม่เอาเราแน่ไางอย่างนี้เพราะว่าขนาดกินนีมนยังไม่รับเผื่อขนาดเขานี่มนสงหมดเนี่ยนะยังไม่รับให้เราเลยโศกเสียใจมากร้องไห้ร้องไห้เนี่ยเช้าไม่อยากร้องไห้หยุดจนเกือบสว่างนะเช้ามาก็ไม่อยากฝึกแต่ว่าไม่รู้จะทํำยังไงอาหารเขาก็ไม่รับเผื่อแล้วะก็เลยร้องไห้เตรียมจะไปฝึกไปแต่เช้าเลยจะไปศึกแล้วก็ร้องไห้พระพุทธเจ้านี่ก็ตรวจดูปณิสัยก็ไปเดินจงกรมอยู่แถวซุ้มประตูนั่นแหะ จูละบันถกมากบอกอร้องให้ทำไมว่างั้นแบบพี่ชายไล่ให้ศึกผงก็ไปรูปศีรษะบอก เ, อเธอไม่ต้องศึกรอก้องเธอบวชในศาสนาเราว่างั้นแล้วก็ถามเอานี้นะเอาผ้าไปบริกรรมไปท่องไปน ะ, ร, ะรัชโชหตนางรัชโชหัตุรังเนี่ยนะผ้านี้เปืออเป้อนฝุ่นเนาะผ้าเปื้อนฝุ่นเนี่ยนะก็ไปท่องท่อง <c oughs> แล้วก็ท่านก็ไปเจริญอยู่อย่างนี้พระฝ่ายตอนใสายๆมาหน่อยพระก็ไปฉันที่บ้านหมอชีวกกันหมด พอถึงเวลาฉันหมอชีวกเอาอาหารมาถวายพระพุทธเจ้าปิดบาดก่อนบอกว่ายังมีพระภิสูจอยู่รูปหนึ่งแต่ว่าก่อนหน้านี้ระหว่างนั้นน่ะพระพุทธเจ้าก็อยู่ที่ที่บ้านหมอชีวกแหละฝ่ายพระจุลบรรทกก็อยู่ที่บ้านเนี่ยนะก็ทําบริกรรมไปเสร็จ แ, แล้วท่านพอเห็นผ้าเ น, นี่ยมันพอขยี้ขยี้ไปเนี่ยนะมันมันมันดำปีไปเลยอะ่ะเพราพระพุทธเจ้าที่ฐานไว้แล้วอะ่ะ เสร็จแล้วก็บอกว่าโอ้หขนาดผ้ามันยังมันยังอย่างนี้แล้วสรีระภายในมันจะเป็นขนาดไหนมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันท่านก็สลดสังเวชใจเนี่ยนะตารบแล้วพระองค์ก็เป่งรัศมีมาเฉพาะหน้าบอกว่าทุลีเนี่ยมันเป็นชื่อของราคะเนี่ยนะไม่ใช่ฝุ่นรอกฝุ่นไม่ชื่อว่าทุลีเพราะฉะนั้นถ้าผู้ที่กําจัดทุลีแล้วอยู่ในาศาสนาของพระพุทธเจ้าที่ไม่มีทุลีอันตัวทุลีในาศาสนานี้คือราคะโทสะและ โมหะเนี่ยนะหลังพระองค์ก็ประกาศอริยศาสตร์ท่านก็บรรลุปเป็นพระอรหันต์เลย <c oughs> นี่พอพระพุทธเจ้าหมอชีวกจะถวายอาหารพรงษ์ไม่รับเอามือปิดบาดไว้ยังมีพิสูรรูปหนึ่งเนี่ยนะตอนหลังก็ท่านเป็นหมอชีวกให้ลูกน้องเนี่ยไปดูไปดูบอกว่าไหนพระเต็มวัดไปหมดเลยท่านก็อธิษฐานให้มีเป็นพันรูปเลยนะท่านคิดครั้งเดียวเนี่ยมีพิสูร ข, ขึ้นได้หนึ่งพันเลยนะก็เลยเป็นเอตทัคฆะในด้านมโนมยิทธิ เนรมิดกายอื่นขึ้นมานี่นะสร้างรูปเนรมิตอธิษฐานครั้งเดียวมีพระพิสูจน์หนพแล้วหนึ่งพนี้ไม่ได้เหมือนกันหมดนะทุกองจะแตกต่างกันแล้วแต่คนหนึ่งซักผ้าอีกคนหนึ่งล้างบาทอะไรท่าีกิจกรรมไม่เหมือนกันเลยแต่ว่าอันนี้คือความชํานาญของท่านก็อดีตชาติท่านไปดูหมิน่นคือมีอยู่ชาติหนึ่งท่านทรงพระไตรปิฎกชาติพุทธเจ้าองค์แล้วท่านทรงพระไตรปิดกมีพระพิสูรูปหนึ่งไม่ฉลาดเลยมานั่งเรียนอยู่ด้วยในห้อง ท่านก็เยอะเยนะถักถางจนองค์นั้นเนี่ยเลิกเรียนไปบอกกรรมมานั้นทำให้โง่ามาหลายชาติชาติสุดท้ายนี่ก็ท่องคาถาสองบรรทัดเนี่ยสี่เดือนไม่จำเพราะฉะนั้นเราจำอะไรไม่ได้ก็ยังไม่ควรไปดูถูกตัวเองว่าทวิเหตุหรืออเหตุก็ให้คิดว่าติเหตุเอาไว้ก่อนแต่ในขณะเดียวกันถ้าไม่ไหวจริงๆก็ตั้งความปรารถนาเพื่อให้ได้ปฏิสนธิที่เป็นติเหตุ ทีนี้กรรมที่ที่นำเกิดไม่ใช่ว่าปกติก็ทําบุญด้วยทวิเหตุแต่แหมศาทูขของให้ข้าพเจ้านําเกิดด้วยติเหตุจะเป็นไม่ได้ไหมปกติก็ทําบุญไม่ได้ทำด้วยปัญญาอยู่แล้วใช่ไหมสักแต่ว่าทําไปเนี่ยนะเสร็จแล้วก็ปรารถนาติเหตุมันก็ไม่ได้มันก็ควรทํากุศลประเภทติเหตุปาราปัญญาให้มากๆกนะก็ปัญญาก็คือตามคําสอน ท, ทั้งหมดที่พระพุทธเจ้าสอนก็คือสอนเพื่อให้เกิด ปัญญาถ้าคิดไปตามคำสอนนั่นแหละก็ถือว่าญาณสรัรมปยุตแล้วนี่ผู้ที่เป็นติเหตุกะที่จะเกิดแบบนี้เนี่ยนะโดยมากก็อันนี้เป็นปฏิสนธิเนี่ยก่อนที่จะมาปฏิสนธิเนี่ยต้องมาจากไหนไม่แน่นะการที่มาเกิดในสุขคติเนี่ยนะมาเป็นมนุษย์เนี่ยไม่ได้ต้องมาจากสุขคติอย่างเดียวอย่างพระโมคคัลลานะมาจากนรก เนี่ยนะก็กรรมที่ข้าแม่เ น, นี่ยเวียนไปในรกตั้งหลายรอบอะคือท่านทําอะไรค่อนข้างจะทราบมากพระโมคคัลลานะท่านเคยเกิดเป็นมารพระพุทธเจ้ากับกูสันทะมีอยู่ครั้งหนึ่งไปสิงร่างเด็กก้อนหินปลาพระเถระหัวแตกเลยนะปลาอคราสาวกข้างขวาด้วยแล้วก็พยา ม, มารทุกวันนี่เป็นหลานของพระโมคคัลลานะเรนนี่น แล้วนั่นก็ท่านทําเหตุประเภทเนี่ยซาซาไว้เยอะแยะไปหมดแล้ก็แต่ว่าไอ้ที่หนักหน่อยก็คือฆ่าแม่ไอ้ฆ่าพ่อฆ่าแม่เนี่ยแล้วก็ตกนรกพอตกนรกปฏิสนธิเป็นธระมหาโมคลานะนะอันนี้มีชัดเลยที่ที่ทมาจากนรกนี่น <c oughs> ส่วนโดยมากเขาก็จะมาจากสุขติกันโดยมากแต่ก็มีบางพวกที่มาจากเดราชานก็มเนะีเช่นพระพิสุรูปหนึ่ง ท, ท่านเคยมาจากกําเนิดราชสีมาเกิด ท่านจะเป็นผู้ที่สางาผ่าเผยในทุกอิริยาบถเลยก็บอกว่ากําเนิดก่อนท่านเป็นราชสีมาเนี่ยนะ ก, ก็มีเพราะฉะนนั้แต่ว่าติเหตุนะเพราะอะไรเพราะว่ากรรมที่มานําเกิดไม่ใช่กรรมของชาติที่แล้วอย่างเช่นอยู่นรกเนี่ยไม่ได้ทําบุญอะไรในนรกไอ้ทานรักษาศีลที่ไหนมาไม่ได้ทําแต่ว่าไอ้เจตนาดวงที่สองถึงดวงที่6ในอดีตเนี่ยเป็นตัวนําเกิดเนี่ยนะถ้าเพื่อที่สุขติเหมือนกันเนี่ยบางบางพวกเนี่ยนะ อย่างเป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดาไม่ได้ทําบุญอะไรไม่มากเลยแทบไม่ได้ทําบุญแต่ว่าจากสุคติสู่สุคติเพราะดวงที่สองถึงดวงที่หมานําเกิดเนี่ยนะแต่ทีนี้ถ้าโดยทั่วๆไปแล้วถามว่าไอระหว่างเชื่อมต่อมาปฏิสนธิแถวนี้อีกเนี่ยต้องเป็นกุศลก่อนตายเนี่ยนะต้องเป็นกุศลก่อนตายทีนี้ระหว่างที่กุศลเนี่ยนะชาวนะจิตเจ็ดดวงก่อนจะตายเนี่ย ปกตินะวิธีสุดท้ายต้อง5ดวงก่อนนะอารมณ์นี่มีอยู่3ามอย่างห น, หนึ่งกรมม์อารมณ์2กรร ม, มนิมิตอารมณ์3คตินิมิตอารมณ์ใครอยากได้แบบไหนคุณผูมอยากได้แบบไหน3าอย่างหนึ่งกรรมกรร ม, มนิมิตคตินิมิตถ้าคตินิมิตนี่เสียงมาก เพราะว่าไม่รู้อะไรมันจะโผล่มาในตอนนั้นเหมือนกับว่ารอให้แล้วแต่มันสุดแท้แต่มันจะฝันนะถ้าพูดแบบสำนวนไทยเลยนะสุดแท้แต่ความฝันว่างนั้นเถอะถ้าถ้ารอให้คตินิมิตมันปรากฏนะเพราะไอ้คตินิมิตที่ปรากฏเนี่ยมันเหมือนกับฝันเหมือนกับฝันขึ้นแล้วแต่จะฝันว่าจะไปดีหรือไม่ดีอันนี้นับว่าเสี่ยงมากถ้าฝันดีก็ดีไปถ้าฝันไม่ดีแย่แน่ถ้า ที่แน่ใจเลยนะควรจะเป็นเนี่ยสองอย่างเนี่ยถานนึกถึงกรรมคือระลึกถึงศีลหรือทานหรือภาวนาที่กุศลอย่างใดอย่างหนึ่งที่ตัวเองมั่นใจว่าบุญ น, นั้นต์แหละจะรักษาเราเช่นถ้าใครศีลดีมาตลอดเนี่ยนะศีลนี่แหละมั่นใจเนี่ยนะระลึกถึงกุศลศีลหรือทานนะกุศลที่ใครใครให้ทานแล้วพอใจในเรื่องทานเนี่ยนะหรือภาวนากุศลอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยนะมอนึกถึงเลือดเอาไหยท่าน ระลึกถึงการบริจาคเลือดแล้วไปเดียวไหมเอานะหมอเขเอานะถ้าระลึกถึงอันนั้นกรรมมณีมิตรนะถ้าระลึกถึงเลือดอันนี้กรรมมณิมิตรแต่ถ้าระลึกถึงตัวเจตนาที่ให้อะนึกถึงตัวบุญที่ทำมันนั้นเป็นกรรมมะอารมณ์แต่ถ้าระลึกถึงวัตถุที่ทําบุญน ะ, ะเช่นอย่างผู้ที่จะไปอินเดียนี้ก็จะเอาผ้าไปถวายเนี่ยนะ ้าไปบูชาพระเจดีเนี่ยตัวผ้าเป็นกรรมมณิมิตแต่เจตนาที่ทําบุญเป็นกรรมสามารถละเลือกเลือกได้สองอย่างเลยจะละเลือกเลือกเอาตัวไหนแต่ถ้าคตินิมิตนี่เสียงมากเพราะมันเหมือนกับอย่างที่ว่ามันแล้วแต่จะฝันอะไรขึ้นมาในระหว่างนั้นแต่ถ้าอันนี้เนี่ยมั่นใจแบบคตินิมิตเหมือนจับฉลากกรรมมณิมิตเหมือนว่าเลือกเอาวันนั้นอะ เพราะฉะนั้นผู้ที่ศึกษาพระธรรมควรเลือกควรามนานัศิการถึงกรรมหรือกรรมมณิมิตรแทนกรรมมณีมิตรเช่นใครอาา่านพระไตรปิฎกมากๆก็กเลือกคิดถึงพระไตรปิฎกแทนเนี่ยนะอันนั้ น, ะ น, นตัวพระไตรปิฎกเล่มพระไตรปิฎกเป็นกรรมมณิมิตรเนี่ยก็ระลึกถึงกรรมมณีมิตรหรือระลึกถึงความรู้ที่เกิดจากการอ่านพระไตรปิฎกอันนั้นเป็นกรรมมะอารมณ์คุณภพระหะวังเอาไหนระวางกรรมกับกรรมมณี เอาอันกรรมนะเอาความเข้าใจที่เกิดจากอ่านมระไตรปิฎกนะ น, นะระลึกถึงเล่มก็ก็ก็ยังดีนะถ้าเทียบกับย่างอื่นนะั้นเถอะแต่ว่าอย่างดีเลยก็คือระลึกถึงกรรมอย่างที่สองคือกรรมมณีมิตรอย่างสุดท้ายเนี่ย น, นี่รอสุดแท้แต่วาสนาอันนี้ก็คตินิมิตเอา แ, ตาแล้ ว, ลวลลก็คือ ถ้าวิถีสุดท้ายห้าดวงสุดท้ายเนี่ยเปลี่ยนไม่ได้แต่ว่าก่อนที่ห้าดวงสุดท้ายจะเกิดเนี่ยนะบ า, นนนบางคนเนี่ยสมวันบางคนเนี่ยเวันบางคนก็อาจจะภายใน1วันหรืออาจจะสามชั่วโมงเนี่ยนะไอ้ก่อนหน้านั้นไม่ค่อยแน่นอนเห็นไหมแต่ว่าไอ้วิถีสุดท้ายเนี่ยมันมันเปลี่ยนไม่ได้อยู่แล้วแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยปกติเนี่ยน่าจะพอลางๆอ่ะนะคนที่จะตายทั้งหลายแหละน่าจะพอรู้ว่าอะไรเป็นอะไร สำหรับส่วนตัวของเขาเองนะเนี่เพราะเขาคิดอะไรมากก่อนจะตายเนี่ยเขาก็พอจะรู้อยู่แล้วหรือวิตกกังวลมากไหมอะไรมากไหมเดือดร้อนใจไหมวิปฏิสารไหมอะไรไหมเนี่ยนะในติทีเคยเคยทราบว่าขนาดมีรถมารับมาอราผม่เาอ๋อที่อย่างนั้นเนี่ยหมายถึงว่ามั่นใจว่าพอแล้วไอเหตุที่ทําเนี่ยนะ คือคือมั่นใจขนาดว่ามองเห็นทิมาแล้วก<อ> <c oughs> คือที่ที่กล่าวเมื่อกี้เนี่ยเพราะอะไรเพราะเราทำไว้ทั้งสองอย่างไง <c oughs> มันแล้วแต่อะไรมันจะโลขึ้นมา <c oughs> ถ้าอย่างทามกิกในคัมภีร์เนี่ยทำมิกกับอุบาสกท่านเป็นพระโสดาบัานอยู่แล้ว <c oughs> <c oughs> แ ต, แต่แต่ไม่แน่นะอย่าไปว่าคุณชูห่อมนะเกิดจะเป็นแล้วจะลาบาก ก็เขามีคนคิดแบบนี้นะคุณวิลาวันเหมือนกับว่าชาตินี้ฉันเป็นกษัตริย์ชาติหน้าฉันก็ต้องกษัตริย์ชาตินี้ฉันเป็นพราหมณ์ชาติหน้าฉันก็พราหมณ์ชาตินี้ฉันพิการชาติหน้าก็พิการถ้าถ้าทฤษฎีที่คุณว่านะคือดูแล้วมันจะเข้าลักษณะนั้นเพราะว่าวันนี้เนี่ยปีนี้ฝนดีปีหน้าก็จะฝนดีปีหน้านู้นก็จะฝนดี อันนั้นมันอาจจะดีแต่ลูกเห็บมันตกมาด้วยอย่างเงี้ยนะเช่นองค์พระธาตุเนี่ยนะเวลาผมจะวพระธาตุผมพยายามให้มองว่าพระธาตุติดตาเลยอะติดตาเลยตั้งแต่ยอดสุปฉัมีกท่านี่ท่านงลา็นยังไงมาเป็นท่านยังไงค์ระคยังไงนี่นะให้ติดตาเลยอย่างเงี้ยนรกว่าจำองค์พระธาตุเนี่ยนะ ใชู้ไว้มอไรนี่ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเวลาเวลาใกล้ตายเราึกขึ้นมาก็อันนี้ท่านี้เป็นกรรมมนิมิดใช่กองมานะถ้านึกศรัทธาเอเจดีชเวดากองมากเห็นแล้วเลื่อมสายเลยนี่เห็นตาตาแดาเจดีทั้งหมดในโลกเนี่ยนะที่เห็นแล้วเลื่อมสคือเจดีชเวดากองนั่นนี่แปลกวะเลยนะเห็นในรูปนั่นไ คือคือมันถูกฉลกที่สุดเหมนเเห็นแล้วก็เร า, เรามีศรัทธาที่สุดในบรรดาออกแบบเจดีทั้งหลายแหละเนี่ยนออะองค์ธรรมเขามีชัดเลยว่าถ้าคิดถึงตัวบุญตัวบาปสำนวนไทยๆว่าตัวเจตนาเลยนึกถึงตัวเจตนาคือตัวกรรม ส่วนกรร ม, มนิมิตเนี่ยคือตัววัตถุหรือวัตถุที่เราทำทำกรร ม, ม น, นะเช่นเมื่อกี้ถือดอกบัวไปดอกไม้ไปบูชาพระทาตุตัวนั้นเป็นกรร ม, มนิมิตแต่เจตนาที่คิดเอาบูชาตัวนั้นเป็นตัวกรรมส่วนคตินิมิตเนี่ยก็สุดแท้แต่ฝันเหมือนกับว่ารอแล้วแต่มันจะฝันว่ามันจะไปดีหรือจะไปไม่ดีทีนี้ถามว่าในบรรดาสาประการนี้โดยปกติทั่ ว, วไปนะ เขาจะเลือกดวงที่7ก่อนที่จะให้ผลนำเกิดเขาจะเอาตัวนี้มาวิเคราะห์ดวงที่7นี่คืออะไรคืออุปปัชชะเวทนียกรรมนี้ตัวอุปปัชชะเวทนิยกรรมนี่ก็แบ่งเป็นคาุกรรมที่ที่เป็นตัวเลือกเลยนะคาุกรรมแบ่งเป็นสองอีกคือที่เป็นกุศลกับอกุศลถ้าทำอกุศลอยู่แล้วเช่นฆ่าพ่อเบ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็ทําบุญเอาไว้ชาติที่สมเถอะทําบุญเผื่อชาติที่3ามอย่างเดียวเพราะชาติหน้าตกนรกที่เรียกว่าร้อเปซเต็มเนี่ยนะจะทําได้บ้างเหมือนพระเจ้าเอาชาติศัตรูก็คือจากอเวจีแล้วตกเป็นโลหกุมพีแทนคือหมายคขาว่าแทนที่จะเข้ามาหานรกก็เข้าไปบริวารแทนกันแล้วกันสํานวนว่าเข้าคุกง่ายๆอย่าเล่นนะแทนที่จะเป็นคุกใหญ่ก็เข้าเรือนจําแทนอย่างเงี้ย ใคเข้าอะไรนะเข้าคุกในโรงพักแทนเนี่ยนะห้องขังเล็กๆนะแทนที่จะเข้าห้องขังใหญ่อย่างเงี้ยเนี่ย้วก็คือคือคอดีขนาดนี้มันต้องเข้าคุกอยู่แล้วว่างั้นเถอะพระเจ้าอาชาติสทรูนี่แก้ด้วยประโยคะในบรรรดาาศัทธของปุชนเเีี่่ยไมมใครกินพระเจ้าอาชาติสทรูเลยก็มีใครบอกว่าฟังว่าพระพุทธเจ้าปรินิพานแล้วสลบบ้างอะ่ะสลบอยู่สามครั้งด้วยนะไม่ใช่ครั้งเดียวอะ่พะพอฟังบอกพระพุทธเจ้าปรินิพานแล้วะ สลบเลยอ่ะฟังแล้วสาครั้งอ่ะสลบสามครั้งด้วยกันสศรัท ธ, ธาคือคือคือท่านรักพระพุทธเจ้ามากะนะ mm hmm. จะเรียกว่าศรัท ธ, ธาก็ได้อะไรก็ได้เนี่ยนะด้วยด้วยศรัท ธ, ธาของท่านท่านศรัทา ธ, ธามากแล้วเป็นคนเดียวที่ให้ฉลองเจดีเจปี7เดือนแล้วก็เจวัน mm hmm. จริงๆอ่ะท่านอยากฉลองมากกว่า น, นั้นแต่คนนี่ตกนรกไปเยอะแล้วท่านก็พระพาท่านก็เลยบอกว่าให้ใหเพลาเพล า, พลาบ้างเถอะว่างั้นว่าเทวดาไม่ค่อยชอบแล้วว่างั้น เธเขาบอกว่าพวกที่ไปบูชาเจดีมากมันก็ไม่ค่อยได้การใน ง, งานใช่ไหมเพราะสมัยนั้นมิจฉาทิถิมันก็มีมากตกนรกไม่ต่ํากว่าหกหมืนที่บอกว่าพระราชาพระองค์นี้วุ่นวายอะไรนักหนากับการบูชากระดูกอะไรพวกนี้เนะี่ยก็ไปตําหนิตรงนั้นนะ่ะก็เลยตกนรกไปไม่ต่ํากว่าหกหมื่นเป็นเปรตอีกบานเลยเพราะฉะนั้นก็ถ้าแต่ก็แล้วเป็นเจ้าภาพทําสังขยาด้วยเี่นะห เป็นเป็นเป็นศรัทธ า, าใหญ่ของพระพุทธศาสนามากทำบุญมากถ้าเทียบกับคนอื่นนะแล้วแล้วบุญที่แกทำเนี่ยคนอื่นไม่มีโอกาสทำอยู่แล้วบุญชนิดนั้นๆเนี่ยนะ